พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุตตันตปิฎกเตวิชสูตรสูตรว่าด้วยไตรเวทพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จแวะพักณนะตำบลบ้านพราหมชื่อมณสากตะประทับณป่ามะม่วงริมฝั่งแม่น้ำอาจิวรวดีด้านเหนือของตำบลบ้านพราหม ชือมนัสสะกตะสมัยนั้นพราหมณมหาศารหรือพราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนพักอาศัยอยู่ในตำบลบ้านนั้นเช่นวังกีสพราหมณ์ตาลุกขพราหมณ์ปคราสาติพราหมณ์ชานุสัโสนิพราหมณ์โตเถยยพราหมณ์และพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆคําสนทนาของมนุษย์สองคน มานพสองคนคนหนึ่งชื่อวาเษฐะผู้สืบสกุลวสิทธะอีกคนหนึ่งชื่อพารัวาชะผู้สืบสกุลพารัวาชะเดินสนทนากันถึงเรื่องทางตรงที่จะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมมานพชื่อวาเศษ ธ, ธะอ้างถ้อยคำของปกคระสาติพรามมานพชื่อพารัวาชะอ้างถ้อยคำของตารุขพราม เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเล่าความที่ตนโตเถียงกันเพื่อให้ทรงชี้แจงและในการกราบทูลเพิ่มเติมได้กล่าวว่าแม้พรามต่างๆจะบัญญัติผลทางไว้ต่างๆกันแต่ก็นำผู้กระทาตามไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้เปรียบเหมือนทางต่างๆหลายสายซึ่งอยู่ไม่ไกลคามนิคม ก็ไปร่วมกันที่คามคือหมู่บ้านพระผู้มีพระภาคตรัสถามให้วาเสธธรรมนพยืนยันถึงสามครั้งว่าทางต่างๆเหล่านั้นนำไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรมได้ข้อตรัสสักถามหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามีพรามผู้รู้ตรเวสสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรม กราบทูลว่าไม่มี2ตรัสถามว่าอาจารย์ของพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทมีสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรมกราบทูลว่าไม่มีสตรัสถามว่าอาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นมีสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรมกราบทูลว่าไม่มีสี่ ตรัสถามว่าใครคนใดคนหนึ่งเจ็ดชั่วยุคอาจารย์ของพราหมณมมีไหมที่เคยเห็นพระพรมกราบทูลว่าไม่มีหตรัสถามว่าฤาษีรุ่ น, นก่อนๆที่แต่งมนรายมนซึ่งพวกพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทในสมัยนี้เล่าเรียนท่องบนตามบทแห่งมนนั้นเช่นอัทธกะวามกะเป็นต้น มีใครบ้างเคยกล่าวว่าตนรู้เห็นว่าพระพรมมอยู่ในที่ใดอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนกราบทูลว่าไม่มีจึงตรัสสรุปว่าเปรียบเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดทั้งคนต้นคนกลางและคนสุดท้ายต่างก็มองไม่เห็นพรามผู้รู้ไตรเวททั้งคนต้นคนกลางและคนสุดท้ายก็ไม่เคยเห็นพระพรห์ คำกล่าวของพรามเหล่านั้นจึงว่างเปล่าว 6. ตรัสถามต่อไปว่าพรามผู้รู้ไตรเวทและคนอื่นๆต่างเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจึงพากันสันเสริญประคองอัญชลีกราบไหว้เพียงเท่านี้จะเพียงพอหรือไม่ที่พรามผู้รู้ไตรเวทนั้นจะชี้ทางที่จะไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ กราบทูนว่าไม่พอจึงตรัสสรุปในตอนนี้ว่าแม้เพียงมองเห็นก็ยังไม่พอที่จะชี้ทางก็พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทพร้อมทั้งอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์เป็นต้นไม่เคยเห็นพระพรหมเลยก็ยังแสดงทางตรงไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้เจ็ดจึงตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้อยคําของพรามผู้รู้ไรเวศจึงชื่อว่าไม่มีปฏิหารคือเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานใช่หรือไม่กราบทูลว่าใช่จึงตรัสต่อไปว่าเมื่อไม่รู้ไม่เห็นแต่แสดงทางตรงเพื่อไปสู่ความอยู่ร่วมกับพระพรหมจึงไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นจริงได้อุ ป, ปมาห้าข้อ 1. ตรัสเปรียบการที่พราหมณ์ผู้รู้ไรเวศไม่เคยเห็นพระพรหมแต่แสดงทางไปสู่ความอยู่ร่วมกับพระพรหมว่าเหมือนชายผู้รักหญิางงามชาวชนบทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อไรรูปร่างเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหน 2. หรือเปรียบเหมือนคนที่ตั้งบันไดขึ้นสู่ปราสาทในทางสีแพร่งแต่ไม่รู้ว่าปราสาทนั้นอยู่ที่ไหน สาการที่ปรามผู้รู้ไตรเวทละธรรมที่ทําให้เป็นปรามสมทานคือยึดถือธรรมหรือธรรมะที่ไม่ทําให้เป็นปรามแล้วพากันออกนามพระอินทร์พระโสมะพระวรุณพระอีสานพระประชาบดีพระพรมพระมหินการออกนามการอ้อนวอนการปรารถนาการยินดีก็ไม่ทําให้ไปอยู่ร่วมกับพระพรมได้เมื่อตายไป เปรียบเหมือนคนอ้อนวอนฝั่งน้ำให้เข้ามาหาก็ยอมเข้ามาไม่ได้ 4. การที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทยังหมกมุ่นสยบอยู่บริโภคกรรมคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนารักใคร่ชอบใจซึ่งนับเป็นเครื่องจองจาผูกมัดในอริยวินัยจะพิสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหม ย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนคนต้องการข้ามแม่น้ำแต่เอาเชือกมัดมือไพร่หลังตัวเองอย่างแน่นหนาอยู่ที่ฝั่งนี้จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นไม่ได้หการที่พรามผู้รู้ตรเวทถูกนิวรห้าคือกิเลส ท, ที่กั้นจิตมีให้บรรลุความดีอันเป็นกิเลสชั้นกลางคือความพอใจในกามความพยาบาทเป็นต้น เมื่อถูกนิวรห้ารัดรึงไว้จะเข้าสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนคนที่ต้องการข้ามแม่น้ำแต่เอาผ้าคลุมศีรษะนอนทิศทางฝั่งนี้ก็จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นไม่ได้คุณสมบัติของพระพรหมกับพรามตรัสถามว่า รามผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นชั้นอาจารย์ของอาจารย์เคยกล่าวถึงพระพรมว่าหนึ่งเป็นสิ่งหวงแหนเช่นสตรีหรือไม่ 2. มีจิตผูกเวรหรือไม่ 3. มีจิตพยาบาทหรือไม่สมีจิตเศร้าหมองด้วยกิเลสหรือไม่ห้าทจิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม่ มานพกราบทูลตอบว่าพระพรหมตามคำกล่าวของพราหมณ์ผู้ใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้นสี่ข้อข้อที่ห้าเป็นเช่นนั้นคือมีคุณสมบัติในทางดีงามแล้วตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทเป็นอย่างพระพรหมหรือไม่ก็ตอบในทางตรงกันข้ามคือยังมีสิ่งห่วงแหนมีจิตผูกเวนมีจิตพยาบาทมีจิตเศร้าหมอง ไม่สามารถคุมจิตไว้ในอำนาจได้ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พรามผู้รู้ตรเวทจะเปรียบเทียบเข้ากันได้กักบพระพรหมหรือไม่ตอบว่าไม่ได้จึงตรัสสรุปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อตายแล้วพรามผู้รู้ตรเวทจะเข้าถึงความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมนั้นจึงไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ ตรัสต่อไปว่าพรามผู้รู้ไตรเวทเข้าไปใกล้จมลงไปถึงความวิบัติในทางที่ผิดแต่ก็สำคัญว่าข้ามไปสู่แดนที่มีความสุขยิ่งกว่าเปรียบเหมือนคนที่ถูกภาพลวงเห็นทะเลทรายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นป่าไตรเวทที่ไม่มีบ้านเป็นป่าไตรเวทที่ไม่มีน้ำเป็นความเสื่อมแห่งไตรเวท มานพถามถึงทางไปสู่พระพรหมว่าเสร็จมานพกราบทูลถามถึงทางที่จะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์ทรงรู้จักพระพรหมพรมโลกข้อปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่พรหมโลกตลอดจนพระพรหมผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงพรหมโลกได้เมื่อมานพขอให้ทรงแสดง จึงตรัสถึงการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกบุคคลฟังธรรมออกประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลละนิวรห้าได้แผ่เมตตาจิตไปสู่สีทิศนี้เป็นทางไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่ามีคุณสมบัติเปรียบเทียบเข้ากันได้กับพระพรหมเป็นการถามตอบคุณสมบัติของภิกษุผู้ประพฤติตนดี เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์เทียบกับคุณสมบัติของพระพรมตามตำรับโบราณทีละข้อซึ่งมานพก็กราบทูลรับรองว่าเข้ากันได้จึงตรัสสรุปในที่สุดว่าภิกษุเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมมีฐานะที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรมได้มานพสองคนกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตหมายเหตุพระสูตรนี้หรือหลายๆสูตรที่แล้วมาแสดงว่าการถือศาสนาตามตำราเช่นเรื่องพระพรหมนั้นยังไม่พอควรเอาความรู้ความประพฤติเข้าจับด้วยหมายความว่าต้องรู้ต้องเข้าใจปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงๆไม่ใช่ทำอะไร ต, ตามกัน โดยไม่รู้อะไรจริง